ออนี่น้อมาธิโดนียังก่ับมาิานอนอะไก้ ไก่ okay, ไม่ได้ยินโอกาสครับพอเขาเอาามาถวายครับมาจากไหนทาเองติอง ด, Sorry, ดอาอนซื้อมาจากร้านขาย เกาองโาอืมโอ้าเสียแล้เก็ไหลรอออกหลายแล้วอยากตวไอ้พระ yes, yes, มีที่บ้านนานหรือยัง ขอตรงนี้ที่ทไปมามีเยอะแล้วดำใส่สีเยอะตลอบเยอะแล้วต้องให้พระทำใหม่และองค์ที่ทำ อ, อะไรมาล่างออกองค์ที่ทำฟ้าบาทานั้น ถวาไหวเป็นศรักษ์สัจรักษ์ตัวแทงของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีได้กราบไ้ไหว้ใจมันก็ไม่ได้ยิ่มมีใจใจเถื่อถ้ามีรูปด้วยมันก็ยิ่มใจเข้าไปอีกเพิ่มศรัทธาเข้าไปอีกรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าเป็นลักษณะ <c oughs> แต่ทางสมมุติขึ้นมาแล้วเอาไปทำ s ่ม4 sum5 ก็ไม่ได้ <c oughs> ต้องเอารักษาท่านบางแห่งเอาไปทำตากแดดตากฝนอย่างประเทศไทยที่ร่อนอยู่ก็เพราะอยู่พุทธมณฑลไม่มีล่มไปตากแดดตากฝนอยู่นั้น โครสร้างก็ชอบสร้างใหญ่หญๆโตๆก็มีไม่มีเครื่องมุง <c oughs> มันร่อนทั้งผู้สร้างนั่นแหละสร้างควมเดือดร่อนในทา่านไปที่ละร่อนถึงท่านไม่มีหัวใจผู้สร้างไม่มีหัวใจเหรื อ, อ <c oughs> เพื่ออะไรล่ะให้ท่านรักษาเพื่อความร่มเย็ยนเป็นสุขรู้เรียนร่มเย็ยนเป็นสุขกู้เอาไปทํา ก็สร้างให้ท่านร่มเย็นก่อนอึกคนเราพูดกันไม่รู้ยาประมาทไม่รู้ย่าลบลู่ไม่เห็นอยาลบลู่ทาแง่ก็ไปตั้งไว้ตามทางจมกลมหน่้ <c oughs> ย <c oughs> ไปตากแดดตากฝนไม่ดี คำหนึงถึงใจผู้เราทำผู้เรากล่าวไหวแล้วลึกกล่าวไหวสักกะบูชาสมมุติเอาตัวไปเราไปนั่งดูสีใต้ถึงกโมองไหมตากแดดตากฝนอยู่นั้น <c oughs> สมมุติขึ้นมาสมมุติขึ้นมาแล้วก็มาทําให้เป็นวิมุติก็ได้ท่านไม่ยึดถืออะไรก็ทําใจของเราไม่ให้ยึดถือ ไห้ปล่อยให้วางทำได้ไหมละ่ะหรือทำไม่ได้มังจะทอนไปหาผู้สร้างเพราะฉะนั้ น, นมึงจึงะมีสถานที่ที่เอาไว้สูงๆ ห, งหนึ่งเอาไว้สักการะบูชารูปเหมือนพระพุทธเจ้ารูปเหมือนครูบาอาจารย์อย่างนี้ บางแห่งก็ไม่เรียกสถานที่บางแห่งก็ติดรูปครูบาอาจารย์ไว้สูงๆแต่รูปพระพุทธเจ้าไปอยู่ต่ำๆบางแห่งไม่ ไ, มได้คำหนึ่งนะบางแห่งก็คำานึงอยู่ถึงเป็นรูปปกิ่งอยู่แต่ผู้ที่ไปกราบไปไหว้ไปด <c oughs> ูนก็ไม่หลอนตาหลอนใจหลอกตาหลอกใจ คาราวโวจะนี่ว่าตัวจะแสดงถึงความเคารพคารวะ <c oughs> ม่มีจิตใจอ่อนน้อมเมื่อเราเห็นแล้วก็เราก็น้อมมีผู้อ่อนมีผู้แก่สำคัญพระประธานดูเหมือนพระสงฆ์ออกมาที่หลังก็ยกไว้สูงเป็นอย่างนั้นพ <c oughs> ระพุทธระเจ้าพระธรรม ำำำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆผู้ทําตามทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบางแห่งก็ไปเพ่งกสศีก็มีโดยเพ่งกระแสศีมันก็ไม่ถูกต้องเป็นนิมิตส <c oughs> มัยไปโนตุโมในหลวงไปถามนี่แหละไม่เข้าแก้คําถามามาว่านึกว่าเป็นนิมิตแต่สามารถ ตามนิมิตตสมาธิบอกว่าไม่ใช่นิมิตได้บอได้หลวงบอกว่าต้องต้องใช้นิมิตก็ตอไปแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้ขอโทษขออภัยได้หลวงแล้วอะไแล้วไปเล ย, เลยท่านคงจะไปพูดให้สมเด็จม <c oughs> หาวิรวงศ์ก่อนอยู่วัดพระราชาพนพะา เวลาไปกราบไว้ท่านโอ้ไปตอบในหลวงไม่ถูกแค่นั่นทํนายก็ปธิบัติไม่ได้เลยไม่เข้าใจคำถามในบอกหลวงปู่ป่าโรกไม่หลวงปู่ฟัง ก, ง ก, งกง็ตอบยา ก, กโอ้หลวงปู่ก็ได้ <c oughs> นนมิตสํำหรับเอามาเพ่งเฉยๆนั่น ถ, ถ้าถูกตามงกฎหมาย ใ, ในหลวงนิมิตเป็นเครื่องหมายสาหรับบริกรรมภาวนา ความหมายของต่านถามอย่างนี้เราก็ตอบขอเราเป็นนิมิตสำหรับนิมิตเกิดขึ้นในสมาธิมันต้องเป็นอีกอย่า ง, นงหนึ่งอะเลยเข้าไปไม่เข้าใจคำถามก็เลยตอบผิดไปสำคัญนันนายหลวงกราบกวบาจารย์พระกรรมฐานโอี่เรื่องธรรมะสูงสูงอะเพราะฉะนั้นพระศกในคารดึง รักพระองค์มาเลยอิทศิพลิพธะราชธรรมครบบริบูรณ์ประสบในกรไฟฟ้าประชาชนเตือดร้อนในหลวงก็เดือดร้อ น, นออกเยี่ยมอยู่ไม่ขาดไปที่ไหนที่ไหนนะบุญบา ร, รมี <c oughs> มันมีต่อไปก็จะเห็นต่อพุที่เจ้าอยู่หนึ <c oughs> ง่งข้าว อหมดไปหมดไปหมดไปแล้วอันเวลาหมดไปหมดไปเราก็ไม่ได้อยู่ประจําอีกซะด้วยอจะเสียที่เสียได้ที่ก็ยากอีกมาอีกยากอีกเป็นเรื่องเป็นเล่าทาเรื่องทำเล่าอีกเลยมาแล้วก็ให้คุ้มค่าเลย <c oughs> คุ้มค่าในการปฏิบัติสําหรับหน้าที่ ของผู้บวชไม่มีการงานเหมือนชาวบา้านการงานของผู้บวชก็ําระจิตใจให้สะอาดซักฟอกจิตใจซักจิตใจรักษาจิตใจไม่ได้ทำงานต่างอื่นมันหนั ก, กเพราะเรื่องของกิเลสไม่ชอบถ้าจิตใจชอบมีจิตศรัทธาแล้วมันก็เลยเป็นของงา่าย อยู่ที่ไหนนั่งอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนก็มีแต่ทำใจให้นิ่งทำใจให้นิ่งนั่นแหละหนึ่งไม่มีสองถึงจะอยู่มากเราก็ทำของเราให้มีคนเดียวให้อยู่เรื่องเดียวก็คือตรมเรียกว่าภาวนาบุญเรียกว่าทำบุญไปวัดทาบุญอยู่วัดทำบุญ งานจากอื่นมาให้ยุ่งเกี่ยวเห็นไหมล่ะไม่เห็นได้ยุงเราก็พอฉันก็พ่ออยฉันขอให้แช่ไหนก็ยินดีก็เห็นพอดีพอดีอดนะ <c oughs> อากาศดีสบายยัถูกต้องสบายะอากาศสบายยัก็คืออากาศพอดีไม่น้อนไม่ร้อนไม่หนาวเห็นไหมล่ะ เสนาสนสปายะเสนาสนก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านถ้าทิบอย่างเมืองไทยย่า ง, งไปว่าไกลนะเพราะว่าถึงมีหมู่บ้านอยู่ใกล้แต่เขาก็ไม่มาคุกคีเหมือนประเทศเราสร้างอยู่ไกลๆกัเสียงถนนบัรทัดอยู่งั้นประเทศเรามันอากาศ ไมมีหนาวหรืออยากไปเล่นทำแต่เครื่องเล่นทำแต่เครื่องโรคโรคสร้างแต่เครื่องโรคโรคนั่นที่ว่าคนเราชอบยุ่งนั่นแหละทำแต่เรื่อ ง, ง, งยุ่งยุ่งมีนจยุ่งยุงอยูก็ไ ม, ม, ม่มีโอกาสที่ได้จะปฏิบัติอย่างนี้มันเป็นสถานที่เป็อากาศสาัพยาอาหารสาัพยาเสน า, นาสน ะ, ะสัพยาปุคละสัพยะ สำคัญรู้จักไหม บ, ะะปปบุคละสปายะบุคคลที่อยู่ด้วยกันต้องเห็นทางเดียวกันเห็นทางไปสู่พันิุพานเส้นเดียวกันหรือคำว่าลงเรือลำเดียวกันแต่เห็นไปคนละอย่างก็ไม่เป็นบุคะละส ป, ปายะบุคคลไม่ส ป, ปายะคนหนึ่งเน่นภาคความสงบคนหนึ่งก็ ชอบวุ่นวายมั น, นยากนะคำของพระเจ้าจึงยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้เห็นไหมเมื่อเราไม่เข้าล็อกตามคำของพระเจ้าองทั่วไปก็เอาตามความเห็นของตนเองทิฏฐิความเห็นในทางที่ไม่ถูกต้องมันก็เป็นทิฏฐิเกิดขึ้นใน สำคัญตัวเองแล้วนั่นเห็นไหมทิฏฐิตัวนี้วิเลตันหาทิฏฐิมานะนั่นแต่ถ้าไม้ละเอียดไม่เข้าใจหรอทิฏฐิมานะก็อะไรอยังบาปกับบุญอย่างนี้แหละ ท, ทํำยังไงถึงว่าบุญทำอะไรทำยังไงถึงว่าบาปทําอะไรทักควักใจทํำยังไงที่ทําให้ใจโสกปกทํำยังไงอะไรเป็นเครื่องทําใจให้โสกปก นั่นแหละละเอียดไม่ใช่ของง่ายๆไม่ใช่ที่คนไหนก็ทําได้ทําได้ทําแต่การกระทํามันทําได้แต่ว่าใจมันไม่เป็นไปในทางกระทําใจมันฝืนฝืนไปทางโลกียะมันไปตีอยู่นั่นทิฏฐิมานะกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะออนครอบามจิตใจพระพุเจ้าจึงยกขึ้นนะยกขึ้นอะไรนะั ก็เพือขายในสวดาสตินาคาพระอนาคานั่นไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นของภูมิของใจละสกายะทิฏฐิมานะออกจากเป็นดอย่างไปเรียกว่าสังโจดนั่นความยึดถือความอะไรต่างๆนานาต้องละไปเป็นข้อเป็นข้อเป็นอย่างเป็นอย่างไป ไห้เน้นทำบุญทำบุญอาหารใจทำทานอาหารกายคนดูแต่กายไม่ดูใจ่างกายไม่เที่ยงเกินแล้วแก่เก็บตายใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงให้เน้นใจเน้นใจ